สิสังวรกถา30พรดีความสำรวมสามร้อยเจ็ดกาวาทีความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีความไม่สำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีความไม่สำรวมไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีความสำรวมไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีล ความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาทีท่านจงรับนิหะดังต่อไปนี้หากความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลและความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีลความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดา ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว э so ่าข้าพเจ้ายอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาแต่ไม่ยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีลความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาคำนั้นของท่านจึงผิดอหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีล ความไม่สมรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสมรวมจากความไม่สมรวมเป็นศีลความสมรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาท่านกล yes, ่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าความสมรวมจากความไม่สมรวมเป็นศีลความสมรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาแต่ไม่ยอมรับว่าความสมรวมจากความไม่สมรวมใดเป็นศีล ความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาคำนั้นของท่านผิดสกวาทีความสำรวมมีอยู่ในหมู่มนุษย์ความไม่สำรวมก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหมปรว า, าทีใช่สกวาทีความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาความไม่สำรวมก็มีอยู่ในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรว า, าทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธี ความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาแต่ความไม่สำรวมไม่มีในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสำรวมมีอยู่ในหมู่มนุษย์แต่ความไม่สำรวมไม่มีในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น380ร้สกวาทีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาธีการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมประวัติใช่สกวาธีการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการฆ่าสัตว์ไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว right? ์ไม่มีในหมู like ่เทวดาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเสพของมึนเมาคือสุราและเมียไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีการงดเว้นจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมลยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่มนุษย์การฆ่าสัตว์ก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที การลดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาการฆ่าสัตว์ก็มีอยู่ในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่มนุษย์และการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีการงดเว้นจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่เทวดาและการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทก็มีอยู่ในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 1941, ักาวาทีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาแต่การฆ่าสัตว์ไม่มีในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่มนุษย์แต่การฆ่าสัตว์ไม่มีในหมู่เทมนุษย์นั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาที การงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่เทวดาแต่การเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่มนุษย์ แต่การเสพของมืนเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่มนุษ์นั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีความสำรวมไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเทวดาทั้งปวงเป็นผู้ค่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จ เศษของมืนเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาธีดังนั้นความสำรวมจึงมีอยู่ในหมู่เทวดาสังวรกถาจบ 11. อสัญญกถาสามสิบเอ็ดว่าด้วยอสัญญสัตว์ 381. สกวาธี สัญญามีอยู่ในหมู่อัญาสัตว์ใช่ไหมประวัทีใช่สกาวาทีพบแห่งอัญาสัตว์เป็นพบที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นสตาวาที่มีสัญญาเป็นสงสารที่มีสัญญาเป็นกาเนิดที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมประวัทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาธีพบแห่งอสัญญาสัตว์เป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตตาวาที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกําเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญามิใช่หรือปรวาธีใช่ักวาธี หากพบแห่งอสัญญาสัตว์เป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสตาวาที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ใช่ไหมปรวาทิใช่สกวาิีพบแห่งอสัญญาสัตว์ เป็นภพที่มีขันห้าเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นรงสารเป็นกาเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันห้าใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภพแห่งอสัญญาสัตว์เป็นภพที่มีขันห้าเป็นคติเป็น <whilst> ส <speaking deste> ัตตาวาสเป็นรงสารเป็นกาเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งมีใช่หรือปรวาทีใช่ สกวาธีหากพบแห่งอสัญญาสัตว์เป็นพบที่มีขันหนึ่งเป็นคติเป็นสตตาว่าเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์สกวาธีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญสัสญญสญญตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาธี อสัญญาสัตย์ทำกิจที่ควรทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น382สิบสอกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์และโลกของมนุษย์นั้นก็เป็นพบที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นสตาวาทีที่มีสัญญาเป็นสงสารที่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่มีสัญญา เป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อัจัญิยสัตว์และพบแห่งอัจยสัตว์นั้นก็เป็นพบที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นสตาวาทที่มีสัญญาเป็นสงสารที่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์และโลกของมนุษย์นั้นก็เป็นภพที่มีขันห้าเป็นคติเป็นสัตตาวาเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันห้าใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญยาสัตว์และภพแห่งอสัญยศสัตว์นั้นเป็นภพที่มีขันห้าเป็นคติเป็นสัตตาวา เป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์มนุษย์ทำกิจที่ควรทาด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์อสัญญาสัตว์ทมกิจที่ควรทาด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์และพบแ่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสตาวาทีที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที สัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์และโลกของมนุษย์นั้นก็เป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์และพบแห่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นพบที่มีขันหนึ่งเป็นคติเป็นสัตาวาตเป็นรงสารเ ป, เป็นกำเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมปรวาที ใช่สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์และโลกของมนุษย์นั้นก็เป็นภพที่มีขันหนึ่งเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์แต่อสัญญาสัตว์ไม่ทํากิจที่ควรทําด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาีสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์แต่มนุษย์ไม่ทำกิจที่ควรทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยแปดสิาปวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาที พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายมีเทพชื่ออสัญญาสัตย์จุติหมายถึงเคลื่อนจากชั้นนั้นเพราะเกิดสัญญาขึ้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นสัญญาจึงมีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตย์สกวาธีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญสัตย์ใช่ไหมปรวาทีบางคราวมีบางคราวไม่มีสกวาที อสัญาสัตว์บางคราวเป็นสัญญสัตว์บางคราวเป็นอสัญญาสัตว์พบแห่งอสัญยาสัตว์บางคราวเป็นพบที่มีสัญญาบางคราวเป็นพบที่ไม่มีสัญญาบางคราวเป็นพบที่มีขันห้าบางคราวเป็นพบที่มีขันหนึ่งใช่ไหมประวัตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบางคราวสัญญามีในหมู่อสัญญสัตว์บางคราวไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีคราวไหนมีคราวไหนไม่มีปรวาทีในจุดติการในปฏิสนธิการมีในทิฏิการประวัติการไม่มีักวาทีอสัญญาสัตว์ในจุดติการในปฏิสนธิการเป็นสัญญาสัตว์ในทิฏิการเป็นอสัญญาสัตว์ในจุดติการในปฏิสนธิการ เป็นภพที่มีสัญญาในทิท่ติการเป็นภพที่ไม่มีสัญญาในจุติการในปฏิสนธิการเป็นภพที่มีขันห้าในทิท่ติการเป็นภพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมประวารทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอัญยกระถาจบสิบสองเนวสัญญานาสัญญายตนะกถา32 ว่าด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสามสกวาทีในเนวสัญญานาสัญญายาตนะพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเนวสัญญาณาสัญญายตนะพเป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสตตาวาที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญา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 เป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญามิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากเป็นพบที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะพบข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่สกวาที ในเนวสัญญานาสัญญายตนาภพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนาภพเป็นภพที่มีขันหนึ่งเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภพนั้นเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันสี่มิใช่หรือ ปรวาทีใช่สกวาทีหากเป็นพบเป็นคติเป็นการได้อัตาภาพที่มีขันติท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะพบข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ 385. ยสหกวาทีในหมู่อสัญญาสัตว์ท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และพบ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 ในหมู่อสัญญัติท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และพบแห่งอัญญัตินั้นก็เป็นพบที่มีขันหนึ่งเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่ใชสกวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะ พ, พท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และในเนวสัญญานาสัญญายาตนะพบก็เป็นพบที่มีขันหนึ่งเป็นคติเป็นสัตตาว่า เป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในเนวสัญญาณาสัญญายตนาภบท่านไม่ ย, ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และพบแห่งอสัญญาสัตว์ตนั้นก็เป็นพบที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีในหมู่อัศญศัตร์ท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และพบแห่งอัญญศัตร์นั้นก็เป็นพบที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะพบท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ และในเนวสัญญานาสัญญายตนาภพบนั้นก็เป็นพบเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีใช่ั ก, กวาทีในหมู่อสัญญาสัตว์ท่านไม่ ย, ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และพบเพ่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นพบเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีในเนวสัญญานาสัญญายตนะพบท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีเนวสัญญานาสัญญายตนะพบเป็นพบที่มีขันธ์สี่มิใช่หรือปรวาธีใช่สกวาธีหากเนวสัญญานาสัญญายตนะพบเป็นพบที่มีขันธ์สี่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ในเนวสัญญานาสัญญายตนาภพข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่386สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนาภพเป็นภพบที่มีขันธ์สี่ท่านไม่ยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนาภพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอากาสานัญจายตนาภพเป็นภพบที่มีขันธ์สี่ ท่านไม่ยอมรับว่าในอาการสานัญจายตนะพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะพเป็นพบที่มีขันศีลท่านไม่ยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีวิญญาณัญจายตนะ อากินจัญญายตนาภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่แต่ท่านไม่ยอมรับว่าในอากินจัญญายตนาภพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีอากาสานัญจายตนาภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปร ว, กกรวาทีใช่สกวาทีเนวสัญญาณาสัญญายตนาภพเป็นภพ ที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญาณัญจายตนะภพอากินจัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะพท่านไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะพบเป็นพบที่มีขันธ์สี่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาที หากเนวสัญญาณาสัญญายตนาภพเป็นภพบที่มีขันธ์สี่ท่านไม่ควรยอมรับว่าในเนวสัญญาณาสัญญายตนาภพบข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่สกวาทีเนวสัญญาณาสัญญายตนาภพเป็นภพบที่มีขันธ์สี่ท่านไม่ยอมรับว่าในเนวสัญญาณาสัญญายตนาภพสัญญามีและไม่มีใช่ไหมปราวาทีใช่ สกวาธีอากาสานัญจายตนะภพ บ, บิญญาณญจายตนะภพอากินจัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ท่านไม่ยอมรับว่าในอากินจัญญายตนะภพมีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีอากาสานัญจายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนาภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีวิญญาณัญจายตนาภพอากินจัญญายตนาภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาที ใช่สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันศีในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพท่านไม่ ย, ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาที เนวสัญญาณาสัญญายตนาภพมีอยู่มิเชฟหรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเนวสัญญานาสัญญายตนาภพมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าในเนวสัญญาณาสัญญายตนาภพข้าพระเจ้าไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่สกวาที เพราะท่านเข้าใจว่าในวสัญญานาสัญญายตนะพมีอยู่จึงไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าอทุกขมสุขเวทนามีอยู่จึงไม่ยอมรับว่ามีเวทนาก็ใช่ไม่มีเวทนาก็ใช่ ใ, ใ, ชใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น เนวสัญญานาสัญญายตนะกถาจบตติยวัคจบรวมคถาที่มีในวรรคนี้คือ1พละกถา2อริยันติกถา3วิมุตติกถา4วิมุตติมานกถา5อัธถมกกถา6อธรรมกัสสะ อินทริยกถาเจ็ดทิพจักขุกถาแปดทิพโสตกถา 9. ก้ยะถากรรมูปัคตยานากถาสิบสังวรกถาสิบเ <11. S 1> อ็ดสิบเอ็ดอสัญญกถาสิบสองเนวสัญญานาสัญญายตนากถา